รีดมันที่สอนได้สบายเลคุณเก่งๆเยอะอยากเรารู้ตัวว่าเก่งไหมคิด่าอยู่ในจานวนที่หลวงพ่อพูดเป็นคนเก่งๆเยอะเนี่ยจิตเป็นยังไงแล้วไงดีแล้วไปลอรู้ไปเรื่อยัดดูสภาวะไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปคำนึงว่าเมื่อไหร่จะสติเกิดจะเกิดบ่อยหรือไม่บ่อยต้อสนใจมันแต่ว่าต้องต้อมดูสภาวะนะต้อมทุกวันหรือเปล่าหรือว่าตื่นว่าเวลาตื่นนี่ถ้าเกิดไม่ได้อะไรยากหรือว่าเวลาตื่นมา แค่รู้สึกตัวนะรูปนามก็กระจายออกแต่ถ้าเรายังหลงอยในโกของความคิดไม่กระจายก็รวมเป็นก้องได้ไหมไม่แค่รู้สึกตัวไปร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกกีเลสอะไรแปลกปลอมมามันก็รู้สึก มันด้วยไม่มีการแจกคือการปฏิบัติในเบื้องต้นรูกายเวทนาจิตอันใดหนึ่งแต่พอสติเกิดแล้วมันขึ้นไปทํางานุปัสสนามันจะเห็นเรื่องเดี๋ยวก็เห็นรูปเดี๋ยวก็เห็นนามนะเดี๋ยวเห็นโน้เห็นนี่เห็นแต่ตัวสภาวะแา่ที่เราเห็นสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างของรูปธรรมของนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือธรรมานุปัสสนา เป็นตัวสภาวธรรมก็ได้แ้วแต่มันจะเห็นไม่เลือกนะแต่เห็นแล้วก็จะพบอย่างหนึ่งทุกอย่างเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ รู้ไหมล่ะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปบ่อยๆแต่ทุกวันต้องซ้อมนะซ้อมดูสภาวะอ่ะรารมกรรมฐานมาสักนั้นไล่ท่าส่นวนมนต์แล้วเราจะดูลมของเราไปเช่นดูล้ลมหายใจก็ได้ดูท้องคองยุกอะไรก็ได้ไม่เลือกหรอกทําไปแล้วก็ไปสังเกตจิตใจไปเช่นเราหายใจไปแล้วใจเราแอบไปคิดก็รู้ฟัน แต่เป็นเพ้ิงลมในใจก็รู้ทันมีการหัดรู้สภาวะถ้าทุกวันได้ซ้อมนะสติจะเกิดเร็วเหมือนนักมวยซ้อมชกทุกวันแล้วก็ออกหมัดเร็วเราซ้อมดูบ่อยๆหัดดูสภาวะบ่อยๆสติก็เกิดเร็วไม่มีอะไรมากง่ายง่ายสุดๆเลยง่ายอย่างนึกไม่ถึงเลยพวกเราคิดว่ากรรมฐานในการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องยากๆคิดว่าธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลไก ก็ทําไปอีกนานๆแล้วจะเจอถ้าเจอแล้วจะมีความสุขคิดเอาเองข้งางในธรรมะไม่ใช่คืออะไรลึกรับธรรมะไม่ได้อยู่ไกลๆธรรมะอยู่กับตัวเราเนี่เองสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูปกระทำคือกาอยานี้กับนามธรรมคือใจนี้ค่อยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจทําตัวเป็นนักเรียนค่อเรียนรู้ดูกายดูใจแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆ มีสติบ่อยๆฝึกซ้อมให้สติเกิดแล้วก็มาลุกใจลไกใจกันบอ ย, กกยมันเองปัญญาก็เห็นแจ้งกนี้ใจนี้ไม่ใช่เรามันทํางานได้ดีพอมันเห็นว่าไม่ใช่เราเนะี่ยได้ก็โศตรัตตันดูไปเรื่อยๆเราก็เห็นถ้าไปยึดไว้ก็คลุกนะไม่ยึดไม่คลุกแต่ก็กลายความยึดถือเป็นลําดับลําดับไปยึดตัวสุดท้ายยึดจิตล้ายยากที่สุดเลยล้างความยึดถือจิตยึยาก ใยเป็นยังไงต้องซ้อมนะอันซ้อมไม่ได้งานนี้ <c oughs> เป็นงานที่พรง่งกนชีวิตเลต้อินติดใจกันทั้งปีอกบนี้ไมช่ที่นี่ี่ีมนนไรนะต จะสร้างคบขึ้นอันหนึ่งแล้วก็เท่าอีกในครบนะนการของจิตมันมีมากไม่มีประมาณริแบแตงดูแตงเลนะ็กนิดถ้าเราจะเอาแต่เรียนรู้สภาวะทั้งหมดนะจะอยากรู้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเยอะไปถ้าอะไรก็ไม่จบงั้อย่างเราฟังอี่ยงมานนั่งอยตรงนี้นะฟังเวลาคนนู้นัวนี้รายงานาการปฏิบัติสมมติแม้ทําไมมันไม่เหมือนกันสักคนจริงมันอยู่ในหลักอันเดียวกัน คามพลิกแปลงของจิต ท, ที่แสดงออกมานั้นแหะแตกต่างกันแต่หลักมนอู่อันเดียวกันเท่านั้นเองดูทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาดูลงตรงนี้ได้ถึงไม่มีปัญหาอะไรเลยสภาวะอะไรแตกๆขึ้นมามันจะหลอกลวงเราเช่นอยู่ๆ ใ, ใจไปค้างอยู่ในอะไรอันหนึ่งแล้วก็สงสัว่านี่คืออะไรนะติเที่ยวคนควา้าสี่เวลาก็ให้รู้ทันว่าจิตเข้าไปจิตกับสภาวะนั้นพอละให้รู้ทันจิตไว้อะไรเกิดขึ้นให้ดูจิตไว้ บางคนภาวนาเห็นผีสางนางไม้เห็นเทวดาถามว่าเทวดาจริงหรือปลอมถูกหลอกแล้วจริงกับปลอมมีค่าเท่ากันพอไปเห็นเทวดาจริงหรือปลอมไม่รู้ละแต่เห็นแล้วดีใจรู้ว่าดีใจตัวสำคัญอยู่ที่ว่ากลับมารู้จิตรู้ใจเอง ไ, ได้สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือปรุงแต่งคิดนึมความรู้ความเห็นอะไรเกิดขึ้นนะั้นโยนมันทิ้งไปทั้งหมดแล้วต้อง ร, รู้ทันใจไป บางทีจิตงงปุ๊บไปเราเกิดความรู้แตกฉานเนีน่ยก็ตจปิดตกรู้ได้เยอะเลยนะนึกถึงธรรมะอะไรนีมม่ธรรมะกระจายตัวออกมาให้ดูุเยอะแยะเลยนึกถึงธรรมะหมวดหนึ่งโอ้โหธรรมะหมวดหนึ่งกระจใจออกมาเยอะแยะเลยหมวดสองก็เยอะหมวดสามก็เยอะเนะ้นกระจายกระจ า, ายมายันพยายามจำไว้นะเสียดตายเลยเมื่อถ้าภาวะเกิดขึ้นเหรือเกิดแตกฉานขึ้นมาแล้วมันดีใจเรียกว่าดีใจ กลับมาที่ใจรูปเดียวเลยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่พลาดถ้าจิตจิตใจเราไปเราจะพลาดไปหลงกับความปรุงแตง่งมันมันจะปรุงไปเรื่อยเลยอันไหนหลอกเราได้มันก็หลอกบ่อยอันไหนหลอกไม่ได้แล้วมันก็ไปเปลี่ยนโฉมหน้ามาใหม่ไปแต่งหน้าทาปากมาใหม่นะมันก็ไอตัวเก่านั่นแหละตัวกิเลสหลอกหลอกนั่นแหละก็ปรุงแตง่งขึ้นมาหลอกเราแล้วก็โอ้มันคืออะไรนะไอ้นคนฟ้าเสียเวลาอีกปีหนึ่งพอรู้ทันมันหลอกเราไม่ได้มันก็เปลี่ยนหน้ามาหลอกอีก เสียเวลานะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะรู้ทันที่ใจเรารูกเดียวเลย่งนิมิตทั้งหลายถึงนี้เกิดขึ้นถ้ารู้ที่ใจก็ดับหมดเกิดเราเชำนิชํานาญในการดูจิตดูใจแล้วเราเห็นผีวด า, าเราอยากรู้ว่าจริงหรือปลนะ่มันจะแลกรู้ทันใจที่อยากเนี่ยใจไม่เป็นไม่มีความอยากนะใจเป็นกลางปับ๊บย้อนไปดูเลยถ้ามันยังอยู่นี่นของจริงเลยใจจิต ท, ที่สร้างขึ้นเองพอ ร, รู้ทันจิตนะไม่ปลุงแล้วเนยย้อนไปดูว่างเปล่าเราไม่มีละ หรือย้อนลไปดูอ้าวมันไม่ใช่จีวดารามันผีปลอมเป็นจีวดาราไมงอะไรเกิดขึ้นเน่ยไปลงคนนะไ่กลับมาดูจีนุ่งเดียบตกตาตกตาจันไม่ชีดไม่ชีนย่เลยวันนี้วันชุมนุมไม่ชีนเป็นชที่เกิดอีกตุ้มตาาคือบ้อะไรกมอะไรเมีอะไรเุ้ตาบ้างคุ้มเสืาแต่ภาวะท ธรรมะเสื่อมเนี่ยจริงๆไม่มีธรรมะเสื่อมธรรมะเจริญนี่เป็นความรู้สึกหลอกๆของเราเองถ้าก่อนหน้านี้กูส่นเกิดบ่อยตอนนี้กูส่วนเกิดน้อยเราบอกว่าจิตเสื่อมก่อนหน้านี้อ่ะกูส่เกิดมากเดี๋ยวนี้กูส่วนเยอะเกิดมากเราบอกว่าเจริญตอนนี้อ่ะกูส่นเยอะเนี่กูส่นเยอะเราว่าเจริญ เห็นไหมคำว่าเจริญคำว่าเสื่อมเกิดจากการติดเพี้ยงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของจิตจิตนี้ไม่มีคำว่าเจริญและเสื่อมจิตมีแต่กำว่าเกิดแะดับไปเห็นไหมอักุผลช่วงนี้อักขุศลเกิดเยอะแต่อักขุผลทั้งหมดเกิดลระดับช่วงนี้กุศลเกิดมากไปเห็นไหมกูผลทั้งหมดเกิดและกระดับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูกคำว่าเจริญและเสื่อมหลอกลวง จะเห็นเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับนี่กุศลเกิดแล้วก็ดับเราเปชีวิตอยู่กับปัจจุบันรู้โลงปัจจุบันเป็นขณาขณาไปไม่มีเจริญรัศมีเจริญรัศมีเราเอาไปเปรียบเทียบเขาไปอดีตนะรู้โลงปัจจุบันขณามีแต่ทุกอย่างเกิดระดับกุศลเกิดระดับอกุศลเกิดระดับเท่าเทียมกันเราไม่ต้องรักกุศลไม่ต้องเกลียดกุศลนะกุศลแรกกุศลสองธรรมเราเท่าเท่ากันเรามีสติไปสถอะ มีสตีออนเดียวนี่แหละคือคนถูกละเองมีสตีออนเดียวนี้คือตนเจริญเองมีสติไปเรื่อยๆ ร, รู้กายรู้ใจจนปัญญาเกิดจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดนได้ดีแล้วที่ภานาอยู่ชได้นะแม่ชีเบอร์กอย่ากลัวหล่อมากช็อกอไปแต่ไม่เันสบายเนี๋ยมันชอนะ็อกตายนั่นคือทิมลงทาวหลวงพ่อประนวดเทศจงไม่ชีชอ็อก ความอกันลสกาเวี่าที่จะอยูนแต่ละเดเวลาเไเนไทาคือการขึ้นบามีีได่ม่เป็นไรที่ทอยู่ใช้ได้แล้ว แหละรูเผลอได้ระมิเศษที่สุดก็อะไรมิเศษที่สุดเผลอได้เกิด่อยนะวางอต้นไม้่บาองลยมนสบาาลยิยเนี่ยตนี้แค่ลมเฉยใช่ที่เราเกุศลจะเบานวอ่อนโยน ต้องแคล่วเลยนะไม่ทื่อๆนะลัดเร็วคล่องแคล่ว่างไวสบายเนี่ยถ้าไม่ชีหัดรู้หัดดูอย่างนี้ไปได้อย่าไปกําหนดนะกําหนดแล้วมันไม่ใช่ทางที่ที่เจ้าสอนเลยชอบไปแต่วัตทุกให้กําหนดรู้ภาษาไทยยังทำเห้ตั้นเสือในการปฏิบัติถามว่าแล้วคำวัตถุให้กําหนดรู้มันจะบาปหรืว่าอะไรว่าทุกขังอริยสัจจังปรินย่อยอยาง ไม่มีากหนดสักรำุกขังก็ไม่ได้แปลว่ากาหนดอนิยสัตจ์ยานิยสัตไม่ได้แปลว่ากำหนดปริญเยยยังแปลว่าควรรู้รอบมันจะกว่าปาริปาริแว่ารอบย่งบริเวณปริมณฑลแปลว่ารอบรอบาริเยยยังมันจะธรรมะยาเยายแปลว่ารู้เด็กธรรมยานะความอยากรู้วิญญาณเป็นความรับรู้ จะธรรมญาเสือรู้ปริญญาย่างควรรู้ให้รอบรู้ให้รอบหมายถึงว่ารู้ขันห้า น, นี่แหละรู้มันทั้งหมดเลยรู้ทั้งกายทั้งใจเลยรู้ให้รอบรก็รู้ถูกต้องเลยมไม่เชี่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตาที่อันิสังหานะทุกขังอริยสัจยังปริญญาย่างไม่มีคำว่ากําหนดอะไรเลยอาจจะใส่ไปใส่เอาตามใจชอบนะแล้วก็เสือไปเป็นคาว่าปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้สอนปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนศีลสิษยาจิตศิษยาปัญญาสิกยาสิกยาอีคือคำว่าศึกษานเน่งภาษาบาลีเรียวกว่าสิษยาสันสกึกใช้คาว่าศึกษาคนไทใช้คำว่าศึกษาเวลาลงมือเรียนรู้ธรรมะก็ไปใช้คำว่าปฏิบัติ น, นตะไม่ชีไม่ชี้ามโสอ้ม่แต่แรงม่ น, นมบาง ทำไมทำไมใจมันไปซื่อๆดูออกไหมทำไมมันซื่อๆหนึเออตั้งใจสิดใจไม่โปร่งดูออไหมโปรกไม่เต็มที่มีติดิลๆหนึ่งดูออกล่าบอกแล้วเห็นไมยังไม่เห็นเลยังเห็นเลยเหรอโอ้น่าอัศจรรย์หนอขี้เป็นมีโมหานิดๆกยดูยาก มัวไว้ที่แต่ว่าคั้งนี้ดีกว่าของฝันเยอะเลยนะเออไมอบคุณหรอกไม่ต้อขบคุณให้กำลังใจพ่อถ้าไม่เคยให้กำลังใจนึกบอกนะหลวงพ่อรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมพอมีกำลังใจเลยครึกใหญ่ดูออกไหมแต่เป็นคึกทักครึกทักไอรู้ไรู้สึกไม่มัวน้อยกว่าเมื่อกี้แล ดูออกอย่างเี่พอใจมันมีกําลังก็จะเห็นเมื่อกี้มัวที่หลวงพอบอกว่ามันจะจติดอะไรยอยู่หน่อยติดโมหังมัวอยู่หน่อยนะู้นนี่เราไม่เห็นสภาวะพอเราตื่นขึ้ประเต็มที่เราก็เลยเห็นเมื่อกี้มัวนี่นี่คือเหตุผลที่ทําไมต้องมีสติมีสติเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อกี้หลงเ <c oughs> มื่อกี้มัวเมื่อกี้มืดอัอนนี้มีสติก็ตื่นขึ้นมเราไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสตินะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาสติด้วยไม่ได้เอา แกวสักอย่างเดียวนี่คนทั้งโลกมันไม่มีสติตื่นขึ้นมานะก็ถูกกิเลสครอบหลงไปในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้สึกตัวเมื่อเขาหลงอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขารู้สึกตัวแล้วคนที่มันหลงตลอดมันจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวพวกคนหลงข้อชี้พวกเนีรู้สึกตัวไว้เฉียงเลยน ะ, ะดิฉันไม่เคยเผลอเลย เจอแค่ละหันหญิงเท่านั้น แ, แ ต, ต, ต่ว่าแค่ความมีสติขึ้นมาว่าขึ้นมาเราจะรู้เลยที่ผ่านมาเราหลง state, เพราะ้นเรามีสติเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสติก็จะเอาสตินะมีสติก็จะรู้ว่าเมื่อตะกี้หลงไปตอนนี้รู้สึกขึ้นมาแล้วเนี่สุสดก็จะเห็นเลยจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตแล้จะรู้สึกตัวสักให้รู้สึกไม่ได้นี่ชีน้อยที่เห็นนี่ยังมันรู้สึกเองเวลารู้สึกมันรู้สึกเอง สัไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไม่ได้รู้สึกไหมนี่เราต้องการแค่นี้เองแนละที่มีสติเพื่อจะได้เห็นมากหรือไปก็ไม่เที่ยงหรือไปก็ห้ามไม่ได้รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็บังคับไม่ได้ในที่สุดจิตทั้งที่เป็นกุศลทั้งอักุศลตั้งแตเกิดระดับตั้งแต่ของบังคับไม่ได้เหมือนๆกันหมดเลยเรียนรู้จิตผู้เดียวนะก็เข้าใจจิตทั้งหมดได้ เรีนผู้เดียวแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนจิตในจิตคำว่าจิตในจิตก็คือเรีนจิตส่วนย่อยๆนี่แหละบางส่วนนี่แหละพอเข้าใจแล้วก็เลยเข้าใจทั้งหมดรู้กายบางอย่างแล้วก็รู้กายทั้งหมดอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าตัวที่นั่งอยู่ตัวที่ยืนที่เดินเนื่ยไม่ใช่ตัวเราเลยกายทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราถ้าไราเห็นแจ้งอันหนึ่งก็เห็นแจ้งอันหนึ่งด้วยถ้าเราเห็นจิตที่เผลอไปอันนี้เป็นตัวแทนของอกุศล จิตที่รู้สึกเป็นตัวแทนกัจิตที่เป็นกุศลเห็นไหมมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับในที่สุดปัญญามันแจ้งนะจิตทุกอย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นร้อนจะดับเป็นทีนี่คือภูมิความรู้ของพระโสดาบันเห็นเราพุ่ไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเราก็ไปดูกายดูใจให้เห็นว่ามันเกิดเกิดดับดับนะมันคับไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตําหนดเลยนะตําหนดเที่ยวบังคับเอานะเมขชีเบอร์หกสิบเจ็ดนะ อย่าถลัน ล, ลงไปให้ชี่์เบอร์หกสิบเจ็ดอยาตื่นเต้นมากรู้สึกตื่นเต้นไหมเออตื่นเต้นให้รู้นะรู้เอาอย่างนี้นะตัวนี้ใจกล้าใจกล้าไม่กลัวหลวอพ่อเอาไปร่นประมาณนี้เบอร์หนึ่งเบื่อสนะีครับมาหลายวันแล้วไม่ได้ส่งกันบ้านหลวอพ่อไม่สบายต อ, ตอนเสร็จหลวงพ่อเลรีบเข้าหไปไม่มีเสียงแล้วพอเป็นหนองเลยพูดทุกวัน ดี้มอสนมานะนเอนดอ ด, ดีแล้วนะที่ปฏิบัติอยู่นี่ดีมากแล้วนะนะทำอย่าที่ทำนี่นะทำไปเถอะปฏิบัติได้ดีใช่ไหมถ้าสองคนนะเป็ปเิีตอนนี้เกรงไล็นิดนึ ง, นะ ด, นนงนดูออกไหมดูออกไหมจิตมัวนิดนึงเออ จิตมีโมหันนี้เราเก็รู้สันว่ามันมัวจิตเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆไม่เจอทีนี้หน่อยพอรับไม่ต้องเจอทุกวันนะขอให้ไปเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยใช้ไปทุกวันเสร็จไปแล้วเรากลับมารู้มาดูของเราอีกแต่จะได้ีม่เฉื่อยดีใช่ได รู้สึกไหมรู้สึกไหมมันมีแรงมากขึ้เอาไปกับโลกกลับมานะจิตใจกับพี่กระเราประเดิม น, นะก่อนที่จะเข้าไปเห็นกรุงเทพนะใจชักเหนืยเหนื่อยไปแล้วทำไม ม, มันึกืักขึ้นมาไม่เพราะไม่ไรเราเข้าอรุงเทพเราจะตื่นตัวเราจะไประวังจิตใจมันอ่านเล่นขึ้นเราจะอย่าเล่มากนะเดี๋ยวเลยหลงตามมันไปหมด อย่าไปหลงตาูเทพตากรุงเทพไม่ใจไม่ได้นะระว่าอย่างนั้นนะอย่าไปเลยบางขอกจะบอกใ้ห้เบอร์25ะือี่อาปิบัตก็มด้เาบที่ระบตูที่ทำอยู่ดีแล้วดูไปเรื่อยๆนะิ หรือแล้วรู้ไหมตอนส่งไมโครโฟนอะหรอไปรัรู้สึกเอออย่างี้แหละเันนี่เอพนดี่จะพยายามรีคากนมากเออเลดีแล้วระวังหน้าใส่อเจ้นหลังๆอ่ะพอสิ้นครูบาอาจารย์นคสอนเริ่มเนไปนะ ต, นตอนหลวงอไปหาหลวงพ่อาคาเขียนมันเป็นมะเร็งไปท่านจับอนุโมทนาว่าหลวงพ่อตอบเจริญสติรุ่นหลังๆอ่ะแทนที่จะเจริญสตินะเปขยับมือแล้วไปเพ่งใส่มือไปเพ่งแล้นะหลวงพ่อเกลียนไม่ชอบดีแล้วถัดรู้ไปเรื่อยๆจิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันหรือออกไหมโง่<อ>ใช่จิตที่เป็นกุศล น, น, นี่สื่นขึ้นมาโง ตอนนี้เป็นจิตที่แอบไปคิดแ ล, ล้วรักคิดแล้วรมจิตรักคิดเนี่ยูไห ม, งมลงไปแล้วมันอยากพูดมองไม่เห็นคือออกไหมให้ดูลงปัจจุบันไปด้วยนะดูสภาวะ ไม่ใช่อบเป็นแป๊บหนึง่งเวลาที่จิตมันขึ้ น, นรับอารมณ์มันจะลงผวังเป็นช่วงๆไม่ใช่ไม่ใช่พบ ป, ประหลาดอะไหรหรอกมันคือผวงัวงผวังแล้วพบเดิมของจิตเวลจิตขึ้ น, นรับอารมณ์นะช่วงหนึ่งก็ลงผวังดับลงไปแล้วเด็กขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเริ่มใหม่นะรูปเวท น, นาสัญญาสัญญาวิญญาณลืมมันไปหมดแล้วของเกา่า เน้สติเราเร็วขเติมขึ้เน้อตัดคำว่าปัจจุบันจริงๆถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆกูอย่าไปไม่รู้เรื่องคนทีต้องกาอย่ต้องแอกอะง่ต้องเห้อย่างนัเลยตอ่งนันเลยเออถูกปะเป็นอย่างนั้นเละการที่เราเห็นว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีช่องว่างหนึ่งเป็นผวังระคั่นถูกต้อแล้วจิตมันเกิดดับให้ดู ไม่ได้ทําแต่ว่าสติมันเห็นเองสติมันอัตโนมัติก็เก็นเองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างช่างนือเถอะอย่คิดมากคิดมากยากนานเบอร์แปดสิบจากไห้วเข็ดหอยังต่นเต้นหรไม่ได้ตื่นเต้นนะรู้โลกปัจจุบันอลยคือถ้าใครเรี่ยนไม่เคยฝึกอะไรมาเนี่ยให้ดูจิตไปง่ายๆ ใจิตใจเป็นของดูง่ายนะเขาคนรู้จักความรู้สึกต่างๆอยู่แล้วจับโหลดไหมโหลดเป็นไหมโลดเป็นไหยไปอิจฉามไหมไปกลัวบ้างไหมกลัวไปกังวลไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติไม่มีอะไรมากความรู้สึกอะไรกําลังเกิดอยู่คอ ย, นนยรู้ไปเรื่อยๆรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปแก้ตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นในความรู้สึกทุกอย่างนะเกิดได้กรดับได้ไม่ต้องช่วยมันดับนะ ดูไปเรื่อยๆอย่างความโกรธเปิดนจะดูไปอ้อมันโกรธมันโลกมันหลงมันดูไปเรื่อยคนทั่วๆไปนะดูก็เป็นแต่ไม่ยอมดูความรู้สึกทุกคนรู้จักนะเด็กเล็กมันก็รู้จักว่าความรู้สึกเป็นยังไงแต่มันไม่สนใจเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นอย่างเวลาเราโกรธเราจะสนใจคนที่เราโกรธนูกออกไหมเราโกรธใครเราก็คิดถึงเขาบ่อยเรารักใครเราก็คิดถึงเขาบ่อยใช่ไม แทนที่เราเวลาโกรเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติโลรธเราจะรู้ว่ากํำลังโกรธไม่สนใจเขาหรอกแต่รู้ทันใจของเราเองพอโกดธก็จะแสดงใส่รักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเราไปรักใครสักคนหนึ่งสมมติว่าเห็นนางงามมาวัดหลวงพ่อนี่บอกว่านะหนุ่มๆเป็นความหวังั้งสุดท้ายมีนางสาวไทยมาเรื่อยๆนะหลายยุคหลายสมัยแต่หลวงพ่อไม่รู้จักยนะ แล้วไม่เคยดูสนใจไม่ใช่แต่อย่ า, างใดนะตาใจใทยรู้จักคนเดียวว่อาอภิษฎาล้านุ่นนึก mm hmm. แล้วฉะนัเราไปเห็นสาวสวยใจเราชอบใครใครเห็นมันก็ชอบอนะถ้าเราไม่ใช่ขัดที mm hmm. เห็นสาวใจก็ชอบขึนะ้นเมาคนทั่วไปพอใจมันชอบขึนะ้นมันจะไปเดินดูสาวนักปฏิบัติต่างกับเขที่เดียวไปเห็นสาวใจก็ชอบนะแต่รู้ว่าใจกําลังชอบอยู่เราจะดูที่ใจของเราเอง เขาด่าเราไม่มัวไปคิดว่ามันด่าเราเรื่องอะไรมันด่าเราจบไปแล้วนั้นเราไปคิดซ้ําเหมือนมันด่าใหม่นะเจ็บหลายหนแล้วถูกมันด่าแต่มันโกรธรู้ว่าโกรธมันอยากด่าด่าไปเราจะดูความโกรธนานๆจนเมื่อวีอยู่ที่ยางตัาต่อด่าต่อเออจะได้ดูเดี๋ยววันหลังมันเข็ดนะไม่กล้าด่าเราไอ้นี่หน้าด้านด่าก็ไม่โกรธหน้าด้านกับทันติก็คนผ่านแยกไม่ออก หน้าด้านกับขันตีทันตีนี้อดทนอดกลั้นด้วยสติด้วยปัญญาหน้าด้านนี่คนดาน่าไม่รจักเก็บชั่วแล้วก็ยังไม่รู้สึกสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะทันตีเป็นกุศลนะหน้าด้านเป็นอกุศลเพน้นบางสภาวะดูออกมาคล้ายๆกันถูกด่าแล้วเฉยเหมือนกันแต่ภายในไม่เหมือนกันด้วยกคลณเหตุเห็ุหนึ่งเป็นกุศล เรมีคันสี่กดชนอดกลั้นเออเราคงทำกรรมไม่ดีมาเลยทุกพระดาอีกอันนึงด่าได้กับด่าไปกูจะโกงกูอย่างนี้พรดาทั้งประเทศที่ช่างมันเออีกนี้เรียนหน้าตาไม่เหมือนกันนี่เราหัดรู้สภาวะได้แน่ น, นะเดี๋ยวก็โลคเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงมันจะเวียนขึ้นมาในใจเราทั้งฝัดอี น, นี้หลวงเข้าพูดเหมาเหมาเลยนะใครที่มาใหม่ๆเราไปหัดอย่างนี้ดูง่าย วความรู้สึกของเราเกิดทั้งวันความรู้สึกเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันจิตใจเราไม่เหมือนกันแต่และเวลาใจเราก็ไม่เหมือนกันเช้าสายไปเย็ยนวันเดียวกันแต่ใจเรายังไม่เหมือนกันเลยที่เราหารัดรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะแจง้งขึ้นเป็นลําดับลําดับไปนะอย่างนั้นจะเห็นเหมืนตนุ่มติ๋มเงี้ยเห็นเลยจิตที่โกรธพุ่งมาปุ๊บขาดวับว่างเปล่าไปช่วงหนึ่งขึ้นมาใหม่มีแต่เกิดระดับเกิดระดับ บาคนเห็นเลยจิตท pues, ี Now, waukee, ่ทํางานทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วแต่ปัญญาจะพลิกเข้าไปในแง่มใดมุมใดเข้าไปในแง่มุมใดก็ปล่อยวางได้เอ้เข้าใจไหมไปรู้ความรู้สึกนะรู้ความรู้สึกเรื่อยๆเมื่อหกสิบสี่เมื่อสี่สิบก็เหมือนเนี้ยเหมือนกันนะมาด้วยกันนึกอกสนเหมาเหมา อะไรเนอะงานสื่อเลยงานสื่อคือคนต่างๆไม่มีคนตคิดความคิดเยอะมาไม่มีใครก็เริ่มคิดหรอกนะเอไม่ใช่เราช่างคิดคนเดียวนะทุกคนคิดเหมือนกันคิดทั้งวันแต่เพียงแต่ว่าคนทั้งหลายเขาคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดเขาคิดแล้วก็เผลอเผลอเรินเริงไปของเรามีสติใจที่คิดเรารู้ทางเราเลยรู้สึกว่าะคิดเยอะ แค่นี้เราแค่รู้ทนานว่าใจเราคิดแค่นี้ก็พอละไม่ใช่ว่ารู้เรื่องที่คิดนะการการรู้เรื่องที่คิดเนี่ยไปอยู่กับโลกเวลาเราทํ ar, า ม, มาหากินทํางานเ <c oughs> วลาเราคุยกับคนอื่นอย่างเงี่ยเราต้องรู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเราลงมือปฏิบัติเราแค่รู้ว่าใจคิดรู้ว่าจิตคิดกับรู้เรื่องที่คิดไม่เหมือนกันการรู้เรื่องที่คิดนะหมาแมวมันก็รู้นะันไม่อัศจรรย์อะไร การรู ín, ้ว่าใจคิดอัศจรรย์มันจะเติบขึ้นมาสับปันชื่ออะไรหลวงพ่อลืมที่องเหลือมาปล่อยวัดหลวงพ่อเนี่ยเออสันติชื่อเหมือนวัดนี้เลยที่านานี้่ที่าก็เเนนแลร เดี๋ยวะให้เขาทีา mm ่ต hmm yeah, ้องงแม้อ uh, <differences> ีอะไรมอนน่ <Tip type S 2> <birth pain> ับนเเป็นพี่บุ๊แล้วแล้วก็เส <pper> so ้องบอกแต่ก็ก็เ็น่น่ที่่บอกี่ี่พูดี่พี่เน้นโอ้ยอย่นี้นะเป็นลูกศิษย์สุดที่รักเลยอย่างเงี้ย ปฏิบัติดีไม่ดีนะผมวงพ่อไม่ว่าเลยให้ดูทุกวันก็แล้วกันอะไรนะเป็นอย่งไรสติเรืยๆติอะไรเรอยไนวดปเื่อินตก่อน่อนนี้มนีนนี่ยเนี่ยเนี่ย ตอนนี้คุณสนันติใจ้อยไปแล้วอ mm. เออห็นไหมใจลอยไปอีกแล้วเออมันอยากคุยรู้สึกไหมยกผมไม่อลงพ่อเขชักไม่ชอบแล้วนอนเล่นมันอยู่ใก้ลาโพงีนี้คุณสันติจะปิดใหม่เลยเก่งมันเข้าแล้วมันหอนจะเรื่อย การที่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยนะเราได้ต้นทางขอการปฏิบัติแล้วเรอไปเป็นการเจริญปัญญาเราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราไปเรื่อยๆคือไม่ใช่แค่ว่ารู้ตัวเพื่อรู้สึกตัวนะไม่ใช่ถ้เาเรารู้ตัวแล้ว ร, รู้อะไรก็รู้เรื่อยๆลอยๆอย่างนั้นอ่อนไปให้เราคอยรู้กายคอยสังเกตที่กายที่ใจถ้าใจมันไม่ยอมไปย้อนสังเกตเองนะช่วยเป็นคิดนิดๆช่วยมันคิดนิ ด, น ด, นดหน่อยคิดถึงกายถึงใจนิดๆหน่อยๆนะ มันจะเป็นการกระตุ้นให้จิตสนใจที่จะมาเรียนรู้กายรู้ใจเม่งั้นมันจะมีแค่ความรู้สึกตัวว่างๆไปเฉยๆสบายๆเฉยๆเดี๋ยวขี้เกียจตรงนี้เข้าใจไหมคิดนิดหนึ่งคิดถึงกายถึงใจของเราเนี่นิดหน่อ ย, น, อยนิดเดียวนะไม่เยอะนะถ้าเยอะเราเสียเลยทีเ่เยอะถ้าเยอะและ้วปูกล้ามเลยแทนที่เราจะรู้สึกตัวแ ล, ล้ลวก็ลอยนนะะเบาๆลอยๆไปนะไปรู้สึกที่กายปะ ดังนั้นบางทีต้องอาศัยรูปแบบแคุ้สันติจะไม่ชินบางคนต้องอาศัยรูปแบบใ น, นการปฏิบัติครูบาอาจารย์มองที่เดินจงกรมทั้งวันเรารู้สึกตัวแล้วก็เดินไปหน้าแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูือเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราเอาแต่รู้สึกตัวเฉยๆแต่สบายๆายเพลิร์นๆไปวัน ๆ, ไ, นๆไม่เกิดปัญญามันเป็นกุศลเหมือนกันจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญา จิตที่เป็นกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญามีสองชนิดเนจิต ท, ที่รู้ตื่นขึ้นมาเป็นกุศลชั้นเลิศเลยนะเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ชั้นเลิศเป็นเทวดาก็ได้เป็นปลมก็ปลมชั้นดีแต่ว่ามันยังไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ให้มันกลับมารู้กายรู้ใจนะสังเกตไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้แต่ไม่ใช่หมกมุ่นไปคนความัมนเกิดตุ้ต้านนะ แค่ร ja, ja. um. like ู้นีดๆหน่อยเป็นการกระตุ้นนําร่องให้จิตมันมาสนใจกายกับใจอ่ะเบอร์สี่สิบสองดีแล้วจิตดีขึ้นตัเยอะแล้วรู้สึกไหมนะดีแล้วล่ะคําตอไปนะแล้วก็ไปรู้ความรู้สึกจิตเป็นไปไปดูใจไปด้วย เบอร์หกสีใจลอยแล้วสันิสันตีไปแล้วสติมีาามยอยที่แล่จะอีทนาน่าดูนาดูีูที่ี่นีนดีนีาที่นูทีที่าที่น่าดูท่น่าู่ทีี่านู่ที่นี่นา เออมันต้องรู้เองถ้า ร, รู้เองเนี่ยสติกเกิดเองเนี่ยตัวสําคัญเลยจิต ท, ที่เป็นมหาครูตนและจิตมีแปดตัวนะมีทั้งหมดแปดวงแต่ตัวที่สําคัญมากเลยจิต ท, ที่มันรู้สึกตัวขึ้นมานะมีความสุขด้วอมีโสมนัสด้วยนะแล้วมีปัญญารู้การรู้ใจตรงความเป็นจริงด้วยแล้วก็เกิดขึ้นเองตรงนี้มีกําลังแข็งกร้าที่สุดเป็นครูตนที่แรงที่สุด ยังเราทำกุศลอันเดียวกัน่ถ้าทำด้วยจิตดวงนี้นะได้บุญเยอะที่สุดดีละหัดรู้ไปถ้าเบอร์สี่สิบเจ็ดนั่นแ่ะลืมละการส่งไมลยลืมไปแล้รู้สึกไหมส่งสติให้เข้าไปด้วยเรียนกับหลวงพ่อทนๆนนิดนึงนะหลวงพ่อดูเหมือนดุนะพวกวัาพวกวักมันเป็นศาสนาแก้ไม่ตกหรอกนิสัยอย่างนี้แหละห้าเบอร์สี่สิบเจ็ด เตะตับโตแล้วเป็นอย่างนีง้ท yes. ุกวันก oh, euh, ็ไม่คือกลัวตัวหลวงพ่ออ๋อกลัวหลวงพ่ออีกคนนั่นแหละอ้าวกลัวอะไรชอบมานะพวกกลัวๆนั้นมาเรื่อยๆเลยนะเออมันต้องมีรูปแบบ สบายไม่บังคับนะแต่มีองคแบบเช่นหันเดินตรงลมเดินเส้นหนเดินรู้สึกตัวงี้เป็นยงเคื่อช่วยไม่มีแรงกำลังไม่พอต้องเติมสรรสัสนิดทำควาสงบขึ้นนิดหนึ่งถาสมมติหน้าหนึ่งหน้าหล่นอยู่นี่สามสี่คนอ่ารเตรมตูอ๋อที่นี่เขาเรีรู้สึกตัว ในเองที่คจนะคามสุวรุดขอาารคือนไหเออดีช่วงนี้พอนาดีนะดีกต่ก่อนรู้สึกไหมช่วงนี้ดีรู้สึกไหมช่วงนี้เจริญไมุ่กหลับนะดีมุ่นนี้จิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสมนะ บ่อยๆเกิดเองดีไม่มีว่าเรู้ตัวแล้วม่รูเกิเดม่เกิดอะไรยใช่ใชโลกมันเป็นอย่างนั้นวันนสงสารเจราโจรอย่างนั้นแต่เราไม่เกี่ยวใช้วกเนะอไม่ไอนะเลยจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปฎิบานจิตสงตสบสะาสว่าง เหมือนเราอยู่บนภูเขานะอยู่บนภูเขาแต่สบายมองลงมาข้างล่างเห็นหมากัดกัสบายอา้จูนจูนก็ตีขึ้นเหมือกันในรอบนี้ก็ช่้งกลางดูร้อนเดืนหอะไรนะเป็นฤดูร้อนนนี้ายถเป็นช่วงงฤนูร้อนกลางเดือนกั แล้ววที่เองก็่วแแล้วก็มอให้ด้รู้จีดีดีแบบดีแล้วรูปแบบที่ทำอยู่ดีนะทั้าสองคนเโตดีดีดีก็มีทีเ่่งกีอกสาวมี้่งอยเ่ล็ก่งจะดีเรื่อ้นเ่ ไม่อย่างนี้เ็าเรีองนั <t <t <t <t 250, <t <t <t <t ่ปฏ um> ิบัติไม่ใช่เฉยชานะอย่างเราเห็นคนอื่นทุกเนี่ยไม่ต้องไปทุกตามเขานั้นเห็นคนอื่นทุกเราต้องสบายมีความสุขแล้วก็หาทางช่วยเขาตามสภาพเท่าที่ช่วยได้ถ้าเราไม่ินเราไม่ยินเราไม่ยิน เอออย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้แหละดีละดีนะสองคนเล่าเลดีเอาเมื่อกีวันละสาวันหวันตั้งแตได้ชื่อวัตโนนใช่ไหมแอคทีฟไหม อยาไปยำแจ้งสิรู้เงินต่รู้เล่นเล่นลืมเรื่องปฏิบัติไปแต่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกนะให้มัน่อยรู้สึกไว้ที่ร่างกายดึงมาอยู่ที่กายใจมีสลับเข้าข้างไหนมันเข้าไปแช่ข้างไหนเราก็กลับมาอยู่ที่กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่กายนะขยับไปยื่นเคลื่อนไหวคอรู้สึกนะดูสิเป็นพ่อชมดีที่ขาด เอาเบอร์48่ดือนเต้เนทีแรกแล้วเนาะเบอร์52เสิอระวังไว้นักเสก็ถึงนะเหมือนนักเรียนไหมบรรยากาศเหมือนห้องเรียนไหมเนี่ยเพราะว่ามาที่นี่มาเรียนเหมือนเหมือนโรงเรียนเลยพราะอาจารย์ไล่เราใกล้ๆนิดใหญ่ไม่สุดาก็ถึงประมาณอือคือบาทีเนี่ยส้าี่หรือ คือดีแล้วที่รู้สันเราปฏิบัติเนี่ยธรรมะนะมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเราปฏิบัติแล้วธรรมะมันไม่เข้าสู่จิตสู่ใจของเราสักทีเพราะจริงๆเราไม่ได้ต้องการธรรมะเราต้องการสิ่งที่ผืนแก่ธรรมะ อย่างเราปฏิบัติเนี่ยธรรมะคือความจริงเราไม่ได้ต้องการความจริงนะเราปฏิบัติเราอยากเอาได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้ความดีอยากได้มรรคผลนิพพานอยากโ้นอยากนี้เพราะเราปฏิบัติเชื่อจะเอาในขณะที่ความสุขความดีความสงบมรรคผลนิพพานอะไรนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเอาได้กับใจชอบความสุขความสงบความดีก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับ ถ้าเราปฏิบัติโดยมู่จะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบนะมันก็จะล้มลุกลุกลานไปเรื่อยวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีวันนี้สุข <c oughs> พรุ่งนี้อาจะไม่สุขวันนี้สงบพรุ่งนี้อไม่สงบดังนั้นถ้าเราปฏิบัติโดยมุ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยการปฏิบัติเราจะซ้ํำซากวนเวียนไปอย่างไี้เลยถ้าเรากําลังปฏิเสธธรรมะอยู่ธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นภูมิเราอยากให้มันเป็นสุขสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเราอยากบังคับให้ได้ เน้นใจเราเองนะปฏิเสธธรรมะแต่ถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงปฏิบัติทอาความจริงไม่ได้เอาสุขเอาสงบมาดีนะในขอไม่เตี้ยนเราปฏิบัติเอาความจริเเ ง, นะ ง, เ, ง เ, รเราก็จะเห็นสุขก็ช่วคราวทุกข์ก็ช่วคราวสงบุคงต้านก็ช่วคราวนะดีชั่วอะไรก็ช่วคราวหเห็นแต่ทุก อ, อย่างเกิดระดับทุก อ, อย่างเกิดระดับเที่เราถ้าเราเรียนรู้ความจริง เรียนไปเรื่อยๆวันเดินใจเราอยอมรับความจริงถ้าเราเปิดใจของเรารับธรรมะขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เราปิดใจของเรานะเราไม่ต้องการธรรมะนะเราอยากได้สิ่งที่ไม่เจ็ตไม่ใช่ความจริงอย่างสุขสาวเนี่ยสุขสาวนไม่ใช่ความจริงปุ๊บมันนะมีทุกต่างหานะไม่มีสุขสาวนหรมีแต่ทุบเกิดแล้วก็ทุบดับเราอยากจะได้สิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงอยากมีสาวนดีสาวนได้ไงดีมีเป็นสังขารขัน ก็ต้องเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเนี่ยใจเราเองปฏิเสธธรรมะปฏิบัติแทบตายแล้วโบนธรรมะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกทีก็ไม่ได้อยากเห็นธรรมไม่ได้อยากเห็นธรรมหรือยากได้อย่ากมีอยากได้สิ่งซึ่ ง, งไม่มีจริงมันเป็นภาพดวงตาทั้งหมดเลยนะแต่เขาวิ่งเงาของปลอมๆ อ, อยากสุขโลกนี้มันทุกข์กับกันมันทุกข์ก็อยากสุขือสิแล้วปฏิบัติแทบตายที่เอาความสุขน่ารงตารนะ หรือดีอยากดีถาวบอาวบอนีอนอยังไงสาวบอลไม่มีนักส่งสาวไปไปคุ น, นากรก็ได้เดยกือเส้นมากหับหน่อยี่เบอร์ห้าบสองบอกฉันไม่คิจะได้จะได้รู้แล้วรู้รอดเหลวงพ่อยังแกล้งโยกไปที่อื่น อ, <c oughs> อีกเด็แล้วมันต่างกันยังไง ไม่มีกับพูดนั่นแหลของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริง mm hmm. เวล là, าใจมันรูนะ้แล้วมันรู้นะใจมันรู้ไม่ใช่เรารู้ mm hmm. ที่ีว่าเราเข้าใจเรารู้เรื่องเยอะแยะเหมือนเข้าสมองไม่ได้เข้าใจออกห้าเบอห้าสิบสองมาแล้วตากรรมมาถึงละ mm hmm. ทางนี้ดีกว่าตาบอนเยอะเลยความรู้สึกกลัวมันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เวลากลิเลสเกิดเราก็เริ่มมองเห็นได้เองนะรู้สึกไหมกิเกลสเกิดทั้งวันเลยปุตตนเสร็จน้อยนะปสตตนมีมากโดยเฉพาะโมหะความหลงเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวก็หลงเดีๆๆ๋ยวก็หลงนี่ถ้าไม่อยากหลงนานนะเราก็ต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ไว้สังานหนึ่งเรอาจจะเอาบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องอยู่ก็ได้หรือเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้แล้วแต่สนัด แล้วพุทโธไปหนีใจไปแล้วแต่จะเลือกนะคือท้องฟองยุ่งอะไรได้ทั้งนั้นแหะแล้วก็หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆเช่นพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วก็รู้เดี๋ยวใจหนีแวบไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกไปอย่างนี้ไม่ได้ฝึกไม่ให้เผลอนะแต่ฝึกเผลอแล้ว ร, รู้ไวๆทุกวันซ้อมอย่างนี้นะสติจะเกิดไวไม่เผลอนานดีแล้วที่ทำํำถึงได้นี่นยแหละต้องอัตโนมัตินะนะถ้าเรียนอภิธรรมแล้วก็เรียนอภิสังขาริกังเกิดเอง ถ้าจิตที่เกิดเองแนละ้วมีกํำลังมีสติมีปัญญาแข็กล้าบา ง, างครั้นนงก็มีความสุขขึ้นมาเองรู้สึกไหมความสุขขึ้นมาเฉยๆเลยไม่มีผีมีกลุยจิตมันเป็นกุศลนะ่ะมันจะมีความสุขคนมันมีบุญลจะทําทยัางไงได้เนาะไม่มเห็นปฏิบัติแล้วจะต้องลําบากเลยนะทําไมปฏิบัติแล้วลําบากมากเลยไหมเพราะอากุศลให้ผลถึงต้องประสบความลําบากอากุศลตัวไหนให้ผลรู้ไหมความหลง มิจฉาทิฐิคือเราไปคิดว่าการปฏิบัติต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ลาบากมากมายมันก็เลยให้ผลให้เราลําบากแบบนี้แหละนะมีกิเลสอยากปฏิบัติแล้วก็มีทิฐิคิดว่าปฏิบัติต้องบังคับเอาบังคับเอาได้รับวิบากได้รับความทุกข์เอาแต่ถ้าสติเกิดฟังธรรมะ ท, ที่หลวงพ่อพูดนะั้นสติเกิดเองสติเกิเกดเองจิตมีความสุขรู้สึกไหมแล้วก็ไปเรียนรู้กายเรียนรู้จิตของเราไปเรื่อย จะเห็นได้มันเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับคุณนาดีมากเลยที่รับนี้หลวงพ่อเลยบอกว่าแม้วันนี้หลวงพ่อสบายคนภาวนาเข็งๆเยอะใหม่ๆไว้ดีแล้วแล้วก็มีแค่อะไรได้เรื่องไม่เาะได้อะไรเนะี่ยได่องไมอาะไม่เอาเรื่องของเราไม่ได้ฝึกเอาอะไรนะแล้วฝึกไปดูใจของเรารู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมนะ นั่นแหละดีแล้ ว, วเหลือแล้วเหลือแล้วรู้สึกไหมเช็คจะอยากคุยแล้วหลอกไหมเออใช่ได้เอาให้คุย อ, อยากคุยแต่ยืนยั น, นมากขึ้นไม่แน่ใจมากเมื่อก่อนยืนยันแบบนี้นี้มา้นคอาุ่เรเมื่อก่อนนั้นยืนยนมากว่า น, นี้แต่ไม่เห็น บางคนนะ่ะมาบทใส่ลงพ่อนะเรียนกรรมาฐานเหมืเดิมนะไม่มีกิเลสเลยมีแต่ความสงบเมื่อเรียนกับหลวงพ่อไม่ีกิเลสเกิดทั้งวันเลยคล้ายๆดเป็นโรคมะเร็งเราไม่รู้ตัวนะหมอไปเจอโรคมะเร็งไปตรวจเจอหาว่าเป็นมะเร็งก็หมอการที่เราไม่ได้เห็นกิเลสตัวเองนั่นแหละวิเศษที่สุดแล้วแต่ที่เราเห็นในใจของเรายังชั่วยอยู่นะมีกิเลสอยู่ฝุดทั้งวันเรียนรู้มันไปวันนึงเราจะพ้นจากมันได้ แต่ถ้าเราสําคัญผิดเราคิดว่าเราเป็นคนดีรู้สึกไหมแต่เดิมเดิมรู้สึกเรานี้ดีนะแต่พอเห็นตัวจริงจะรู้เลยนางมารร้ายอยู่ที่นี่เองจะหัดดูลงไปนะจะเห็นแต่กิเลสใช่ไหมรักเตอร์สูงเป็นนางมารสูงเใื่อหนางมารจูนอพอเรียนเห็นตัวจริงรู้เลยร้ายกว่าที่คิดใช่ไหมดีแล้ว 19. เบอรสิบเก้านอกส่งไปข้างหลังบุญจะมีส่งกันบ่า ครับก sure. sure. yeah, well, you know, you know, ็ you know, wild, yeah. <Good> ี่ยก็จะสอบว่าผ้อตกลพอกก็จะรจาแ้ก็เวลูเหน่าวลาพาราิ่จ้งแลกพอเาจะจ้เนเข้าไปอีกอัก็เข้าไเรื่องไรจะแก้เป็นเข้าอดูว่าเราแก้ ไม่ต <Yeah. S 1> ้องไปอยากรู้ว่าให้รู้ว่าอยากรู้เออาวนาดีแล้วยังจะตนอีกเดี๋ยวก็เข้าไปติดอีกก็เหตุคือก็การนิยามเพื่อวิถีให้เกิดดีแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำในชีวิตประจำวันได้เนี่ยยังห่างไกลความมรรคผลนิพพาน แต่ถ้าเราสามารถรวมการปฏิบัติเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้นี้เราใกล้เพราะถ้าเราอย่างแยกส่วนเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติกินเลเแียวไปกินหมดเลยเพั้นเวลาปฏิบัติเนี่ย ป, ปฏิบัติทั้งวันเลยนะตลอดเวลาเท่าที่ทําได้ยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาทํางานที่ต้องคิดเป็นภาวนานไม่ได้รูไม่ได้ดีแล้วบุญสบี ก, ออ ก, ก็ถามเจดีว่าถ้าผักถอทุกที่ยมันเหมืว่าปกตไม่ได้ไหแต่ละแต่คนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูตัวเองว่าจะแต่ละวันจะนอนแค่ไหนถึงจะพอดีไม่มีมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าต้องนอนเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแต่ถ้านอนเยอะโมหกะก็เยอะน ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวยีิบเจ็ดลงอยู่นี่อีกคนเดี๋ยวส่งไปทางโน้น ดีละนี่แหล ะ, ละที่ทให้วัสงสารของเราตั้นลงรู้สึกไหมพบชาติเราตั้นลงตั้นลงยิ่งพบขออาุนั ส, นนะสติเกิดปั๊บขาดปั๊บเลยดีแอความทุกข์าันลงต่งสารวัตรเริ่มตั้นลงตันลงลใไม่ตต่อใช่ ดีแล้วถ้าไม่เคยฝึกก็ฝึกง่ายคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะเรียนมีปัสจนาง่ายเพราะส่วนมากที่เราฝึกเราจะไปติดสมถะติดทิ่งงั้นถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยให้คอยดูใจตัวเองไปนะอย่างที่หลวงพ่อบอกสองคนนี้ดูความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนทั้งวันเี๋ยว้เสืเหลืองเยอนะแล้วม่พารักในหมองเมื่อก่อนนะโ <c oughs> ยมมารักที่หลัง ก็เคยติดต th ัวมาตัวมาตั้งแต่ปี่กมแจบเวแลวตัวต้่ปีจตั้ก็ผมก็อย่งนี้องเช่นรี่มีการอ่านต่อต่อเลยแก ติดก <Just old. S 2> well, ิมพ so really so totally so like, ์ก็แค่ดีนะหรือติดประแยงให้ไปต้องทำให้หายก็จะดีขึ้นดีดัดีหลวงพ่อสบายนะถึงวันนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนดูจิตคนแล้ว่อเชื่อนะเพราะว่าสานักทั้งหลายมีแต่เรื่องกายทั้งนั้นจริงการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองเหมาะกับพอคิดมากพวกที่ต้องทำงานที่ใช้ความคิด การดูจิตนี่มันเหมาะกับพวกที่ผิดจิตพวกต้องคิดนะการดูกายมันเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกมีชีวิตอย่างสงบสุขอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นดูกายดีการดูจิตเหมาะกับคนที่ทําชาญไม่เป็นพวกเราทําชาญไม่ค่อยเป็นหอกเข้าใจเราคิดมากการดูกายเหมาะกับคนที่เล่นชาญเพรันเมื่อปีสองหกนะสองห้าสองหกลวพูดูได้เคยบอกบอกไปที่วัด พิพัฒน์ลุญบอกต่างๆทั้งงโยมนะเข้าก็ยิ่บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเรือนตอนนั้นเราฟังแล้วงงมากรุ่งเรืองอย่างไรรุ่งริ่งสหะไปที่ไหนก็ไม่มีใครดูจิตแนละ้วต้องหลบหลบต้นตอนนะมีแต่คนดูกายเข้าสำหนักไหนก็มีแต่กายทั้งนั้นเลยพอมาวันนี้นะใครๆก็ดูจิตนะิตใกล้ๆหัดไปมันมันเหมาะกับสังคมยุคใหม่ สังคมนี้เร่าร้อ น, นรุนแรงเคื่อไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเราจะมานั่งทําฌานอย่างสมัยก่อนนะนั่งทาฌานจะเป็นปีๆนะไม่ไหวเราทําอย่างมากก็แค่คืนนี้สงบเช้าขึ้นมาก็คลุ้ง้าอีกแล้วเราทําฌานไม่ได้เราดูกายยากกายยานิปัสนาเหมาะกับคนเล่นฌานมาะกับสมถะหยาด น, นั้นเราต้องดูจิตดูใจเอาจิตใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูแล้วเห็นผลทันที เช่นของค <im> ุณคุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองใช่ไหมเห็นความตกทันทีคือคนยุคนี้ต้องการประสิทธิผลคนยุคนี้ทนไม่ได้หรอกบอกว่าฝึกสมาธิเป็นปีๆแลมาดูกายอีกหลายๆปีเลยทนไม่ค่อยไหวยุคนี้ยุคฟาร์สฟู๊ดนะจะมาทานฟาสฟู๊ดนี่แหละดูเขไปเลยรวดเร็วดีแล้วมันก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะศีนก็เกิดขึ้นเอง รู้สึกไหมอย่างเวลาเราจะทําอะไรผิดสีนะั้นมันจะละอายใจคุณเห็นปิดเกิดเองนะอัตโนมัตนะิเสมาธิก็เกิดเองคุณรู้สึกไหมจิตใจของคุณสงบจิตใจของคุณตั้งมั่นมากขึ้นนี่สมาธิเกิดขึ้นเองปัญญาเกิดขึ้นเองคุณจะเห็นไลยความโกรธเขาปาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วกระดับทุกอย่างเกิดแล้วกระดับนี่แหละคือปัญญาตัวจริงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเราเห็นรูปธรรมเห็นกายเห็นใจนี่เกิดดับเกิดดับกิดดับนี่คือปัญญานะ ป, ปัญญาที่จากการคิดแากการกำหนดการบริกรรมไม่ใช่วิปัสนาปัญญาเพราฉะนั้นการที่คุณรู้สึกตัวรู้จิตรู้ใจมีสติขึ้นมารู้ใจรู้ใจเรื่อยๆสีนสมาธิปัญญาจะพร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาได้สีนี่บริบูรณ์ก่อน่อไปสมาธิก็มากขึ้นมากขึ้นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจเราจะรู้เราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นเป็นลาดับลาดับไป ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตอนนี้จะเริ่มเห็นแบบนิดนะต่อไปได้เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาของพระโตตราบันพระสกิทาคามีเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเรียกว่าปัญญาขั้นต้นเราตามรูปกายตามรูปจิตใจต่อไปหยิบในที่สุดเกิดปัญญาขั้นกลางรู้ความจริงว่าจิตเนี่ยถ้ามันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันไม่ทุกข์นะถ้ามันวิ่งเข้าไปอยากวิ่งเข้าไปยึดในอารมณ์ทั้งหลายมันจะทุกข์ ใจมันถ้ามีปัญญาขั้นนี้จริงจิตใจจะไม่ไหลไปไหนจจะตั้งมัน่นสน ม, มั่นมีปัญญาขั้นกลางรู้ว่าหลงออกไปแล้วทุกข์ไม่หลงไม่ทุกข์จิตจะเกิดสมาธิบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้านาคามีเนี่ยมีปัญญาขั้นกลางมีสมาธิบริบูรณ์ใจไม่ไหลไปแล้วไม่ต้องรักษาเลยนะแใ่ตั้งมัน่นทั้งวันทั้งคืนอยู่งั้นหละแต่ว่าพอแก่รอบปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นว่าจิตใจนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลย ไม่ใช่ว่าจิตผู้รู้ไม่ทุกนะจิตผู้หลงถึงจะทุกไม่ใช่จะเห็นเลยขันทั้งหมดเป็นทุกถ้าใดเมื่อไรเห็นขันทั้งหมดเป็นทุกนี่เรียกว่าเรารู้อริยสัจรู้ทุกอย่างแจ่มก็ขันห้าคือตัวทุกรู้สึกไหมตอนนี้เราไม่ได้เห็นขันห้าเป็นทุกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมจิตเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมถ้าจิตตั้งมั่นไม่ไหลตามกิเลสมีความสุขจิตโงตามกิเลสไปแล้วมีความทุกเราเห็นแค่นี้นะ ก็เห็นถูกเหมือนกันนะ เ, นเป็นปัญญาระดับหนึ่งต่อไปเราจะเห็นลึกซึ้งเข้าไปอีกจิตนี้ทุกข์ล้วนวนเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆพอเห็นว่าทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจบจิตของศาสนาพุทลงตรงนี้จิตใจเราจะโปร่งโล่งเลยหมดสาระหมดการที่นนนะเต็มอิ่มมีแต่ความอิ่มนะเต็มอิ่มเต็มปริบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุกขล้วนๆอยู่อย่างนั้น ตื <che> ่นไปนะดีเาาดีใจด้วยนะ่ตไปเห็นรถติดไฟแดงได้ววันนี้สบายนะคนเก่งๆเยอะเพราะวันนี้สบายมือสบมนามรู้สึกรู้สึกกาตาหายใจหายรู้สึกรู้สึกตัวด่นเมอกรู้สึกตัวากแต่พีรก็แค่คุกคือรู้สึกเอะไรับ ใช่ใช่สุปทร้างละเพราะฉะนั้นเราไม่หนีการกระทบหลายคนปฏิบัติธรรมนะปิดหูปิดตาไม่อยากมี่ัมพักับใครอยากอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่มีอะไรกระทบแล้วมันจะได้สบายไม่ดีหรอกต้องไปกระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปจิตใจก็จะหวั่นไหวขึ้นมาเราก็เรียนรู้ไปเราจะเห็นเลยพอกระทบแล้วเราก็กระเทือนห้ามไม่ได้ไม่ใช่หลีกหนีขัดสนะ บางคนคิดว่าถ้าไม่เห็นแต่แล้วเราใจใจจะได้ไม่กระเทือนจะได้ดีถ้าไม่ฟังแล้วใจจะได้สงบจะได้ดีถ้าทฤษฎีอย่างนี้ใช้ได้นะคนหูหนวกตาบอดไม่รู้ทํามหมดแล้วล่ะหรื อ, อกายไม่รู้ความสัมผัสนะไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วดีนี่คนเป็นโรคเรื้อนก็ดีฉนั้นถ้าตาบอดด้วยหูหนวกด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยใกล้ต่อความเป็นพระอราหารันต์ไม่ใช่เลยนะฉมนั้ต้องคอยดูนะคอยดู อย่าหนี้โลกอยู่กับโลกอย่างนี้แหละค่อยๆรู้สึกไปแต่การรู้กายต้องระวังนิดนึงนะอย่าติดการเพ่งกายอยู่นิดนึงอย่าติดการจ้องจ้องแล้วใจจะชื่อๆมันจะเหมือนรู้กายได้ทั้งวันผมทอทําหน้าให้ดูนะัจะ เ, เหมือนรู้ทั้งวันแต็มไปยมดจะมีตัวหนึ่งชื่อๆ อ, อ, อย่าไปประคองไว้จิตเกิดความสงสัยทราบไหมรู้โลกปัจจุบันไหม วันนี้ทีแรกว่า น, น้อยทำไมมันงอกขึ้นไปเรื่อยๆ่เรน้มาเรยถ้าเราชอบถ้ไปนนีดีใช่่ง้ถึงวาใที่แลก็ุเ่เชที่อารที่ะยที่นวรู้สึกว่าเราอัว่านเพราะเราชอบเหมน เราก็รู้ทันแล้วเราชอบเราไปประกองไว้ให่รู้ทันนะตรงที่ความสุขเกิดขึ้นมาที้เรียกว่าสุขมันนัตเวชนะตรงที่ไปชอบมันเรียกว่าราคะเป็นกิเลลและดังั้นมีความสุขมีความสุขได้นะแต่ไม่มีราคะก็รู้ทันแค่แค่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปแค่นั้นเองไม่ใช่เพื่อเอานะ ถ้าเราเอาความสุขแค่มีสติเราก็รู้สึกว่าสุขเยอะแล้วเราพอใจแค่นี้ไม่ได้นะยังมีความสุขรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะแยะ อ๋อไม่ใช่คือเวขณะที่เราสวดมนต์นะใจเรานิ่งๆไปใช่ไหมพอมันนิ่งๆพอเราเลิกสวดเนี้ยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้ยใจที่นิ่งเงี่ยมันดับไปละมันเกิดใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็แสดงใจรักละอย่างบางคนทําสมาธินะทำชานนิ่งสงบสบายนาน ออกจากสมาธิแล้วนอนเลยไม่ดูต่อเนี่ยขัดคุณเสียนาทีทองไปให้เราทําสมาธิอยู่ะจิตใจมีปีติมีความสุขอะไรก็ตามเถอะก็ออกมาข้าง น, นอกรีบุ๊จะเห็นเลยปีติที่มีอยู่หายไปแล้วความสุขที่มีอยู่ดับไปแล้วเห็นไสรั้ถ้าเห็นตรงนี้นะตรงที่ลอยต่อที่จิตเพิ่งเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วเห็นตรงนี้นะ่จะทราบซึงถึงใจเพราะว่ายังมีกําลังสมาธิหนุนหลังอย่จะทราบซึงมากเลยเห็นแล้วโอ้ตักใจ แต่พอเวลาน้นผ่านไปมาบรรยายไปคำพูดให้คนอื่นฟังนะจะรู้สึกพื้นพื้นด้านด้านคินมีอะไรในะพูดออกมาแล้วธรรมดาแต่ตรงที่ใจเราเข้าไปสัมผัสนั้นนะมันรู้ลึงนะทราบซึงถึงออกถึงใจเพราะนั้นเราไม่จริ ง, วงเวลาสวดมนต์เสร็จจิตมีสมาธิพันปอยออกมานะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราก็รู้ไปรู้เบาๆนะรู้สบายไม่ใช่ เอา ล, อะ nước, อ ล, อละต่ปนใกล้จะเริ่ปวดล้นะอ๋อตะก้าวตีจ้องีเียนลยนะห้ามนะอตอต้องพยาธิไม่ต้ออยนามงณไมได้เรลยุนอยูก็อ่ตดใจมันหิวตัณหาใจมัมีตัณหานะมีราคามันหิวในอารมณ์ ต่อไปต่อหน่วอารมณ์เข้ารู้สึกไร้สาระขึ้นอีกแหละดูแล้ว ด, ลดูไปอย่าประคองนะติดประคองนิดหนึ่งตัง้มจิตจะติดอยู่ข้างในนิดหนึ่งนี ก, กรักรักเลย ด, ดีดีนะน ท, กกทั้งพอทั้งรูปเอกรัฐไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนเลยนะดีละอย่ากลัวนะความทุกข์อ่ะ ก็ทุกเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อย่าหนีมันปีชา่มาเออดีแล้วปีชาภาวนานได้ดีนะโอ้วันนี้ภาวนานเก่งๆเยอะมากเลยดีแล้วปีชาสติมันเกิดแล้วรู้สึกไหมใจของเราก็ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตใ จ, จมีความสงบ ส, สุขมากขึ้น รู้สึกไหมกิเลสหลุดขึ้นมาสติเปิดเองรู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่พูดแทนนี่จะได้ไม่ต้องบรรยายเนี่ยแหละมันเป็นเองเนี่ยแหละสุกต้าลหมูเหรอคุณหมู่ละกือูเร่าวว่ะไรที่ทำอยี้โม ตอนนี้ใจต้องพักนิดหนึ่งใจจะฟุ้งมันรักกรรมมากไปทำความสงบนิดหน่อยพักผ่อนมันให้สบายๆอยู่พอแล้วนะเดี๋ยวลวงพ่อต้องคุยกับตาต่อมาเชิญโยมกลับบ้านกัน